วัดที่นี่เซตขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ธรรมะเงินพยายามทำทุกอย่างให้พอดีพอดีสำหรับการฟังธรรมะไม่ให้พวกเราลำบากยามดูแลเรื่องพวกนี้งานหลวงพ่อมีนะคือจเผยแพร่ธรรมะจัดสถานที่จัดทีมงานจัดคนจะทำสื่อเดินสายเทศอย่างเงี้ย ตอนนี้เริ่มแก่แล้วงานเดินสายจะลดลงเดินสายต่างประเทศเลิกแล้วล่ะไปไม่ไหวแล้ ว, ไ ว, ไ ว, แ, ลวแก่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นนะสื่อมันเยอะเราเรียนกันด้วยทางไกลสมัยพุทธการท่านก็มีนะบางครั้งเนี่ยอย่างพรวะวกคลิท่านเสียใจเมื่อพระพุทธเจ้าไล่ท่านท่านมีศรัทธาออกมาบวชเพราะอยากเห็นพระพุทธเจ้า เนื่ทุกวันเนี่ยไม่ภาวนานะจะเดินตามดูพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เป็นตุดนะแต่อยแต่ท่านเลื่อมใสเห็นแล้วมันปลื้มอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลไล่ท่านออกไปให้พน้นอย่ามาอยู่ที่นี่มาเดินตามค่อยดูเฉยๆไม่พอนะท่านก็ออกจากวัดไปขึ้นเขาไปขึ้นเขาแล้วเสียใจว่าต่อไปนี้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันแล้จะโดดเขาตายพระพุทธเจ้าท่านก็ องประเภทเทเลคอนเฟรนต์นั้นายพระรัศมีไปให้ปรากฏก็สอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นก็เห็นธรรมถึงจับชายชีวร อ, อยู่ไม่เห็นธรรมก็ไม่เรียกว่าเห็นตถาคตอย่างนะั้สอนภระวะคคาีก็เลยรู้เรื่องขึ้นมาในสมัยโบราณก็มีนะสอนทางไกลอย่างนี้ หรือบางครั้งมีอยู่คราวท่านให้พระจุลพรรันธะขยี้ผ้าขาวอยู่ยที่วัดองค์อืรับนิมนต์ไปหมดแล้วนะตามพระเจ้าไปงานนิมนต์พระจุลพรรันธะนั่งขยี้ผ้าอยู่ที่วัดไม่ได้ไปกับเขาหรอกพอสมควรแก่เวลานะพระเจ้าท่านฉายพระรัศมีไปปรากฏให้เห็นนะสอนสอนกรรมฐานให้ท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนะท่านได้อิทธิวิธี สามารถแยกตัวเองได้ทําคนเดียวให้เป็นหลายคนได้ท่านเก่งที่สุดในด้านนี้เพราะสามารถแยกได้ทั้งพันคนแยกได้พันหนึ่งนะแยกได้เยอะแล้วแยกออกมาเป็นพระจุลพันธกะเยอะแยะเนี่ยแต่และองค์ทํากิริยาอาการไม่เหมือนกันบอกเนี่ยความสามารถที้พิเศษสาวกอื่นจะไม่ได้เป็นอย่างงั้นสาวกอื่นแยกได้ไม่กี่องค์แล้วก็จะทําท่าเหมือนเหมือนกันเดินก็เดินด้วยกันนี่ นั่งก็นั่งด้วยกันองนี้ทำได้หลายแบบนี่ท่านก็สอนทางไกลเหมือนกันนะจิตนั้นแสดงธรรมะให้เราดูตลอดเวลามันแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเขาเป็นของเขาเองเราไม่ได้เจตนาที่จะเพ่งมันก็เพ่งของมันเองนะเนี่ยเราเจริญปัญญาก็เจริญกันง่ายๆอย่างเงี้ยดูจิตมันทำงานเห็นมันทางานได้เองแค่นั้นก็พอแล้วง่ายๆ ถ้าดูจิตไม่ได้ตอนไหนดูจิตไม่ออกแล้วมั่วไปหมดแล้วก็ดูกายเห็นร่างกายหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกให้หายใจออกก่อนดูระพิสูจ์ทั้งหลายให้เธอคูบัรลังตั้งกายตรงดำโงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับ รู้ว่าลมหายใจระงับถ้าหายใจสบายจะหายใจได้สบายไม่แน่นนะก็ต้องหายใจออกก่อนถ้าหายใจเข้าก่อนจะแน่นนี้บางคนเคยฝึกหายใจเข้าพุธหายใจออกโรจะมาหายใจออกพุธหายใจเข้าโธเวียนหัวเลยทาไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไงมีคนหนึ่งเขาฉลาดนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกผมใช้วิธีหายใจทิ้ง หายใจออกทีหนึ่งก่อนเนี่ยหายใจออกไปหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเหมือนปกติเลยแต่หายใจทิ้งไปนิดหนึ่งก่อนใจมันจะคลายตัวออกโดยกลไกธรรมชาติของจิตใจเรานะเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีความเครียดธรรมชาติสอนให้เราถอนหายใจหายใจออกนั่นเองงั้นถ้าเมื่อไรหายใจออกนะใจมันจะผ่อนคลายนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติ เวลากลุ่มใจเคยกลุ่มใจไหมเคยกลุ่มใจแล้วถอนใจไหมทำไมกลุ่มใจแล้วไม่หายใจเข้ากลุ่มใจภ <c oughs> <c oughs> ระาแตกเลยล้วสติแตกกลุ่มใจ <c oughs> พอเฮ่อทีหนึ่งรู้สึกไหมโล่งขึ้นทีหนึ่งนะเดี๋ยวคิดใหม่คิดใหม่ก็กลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ก็ถอนใจอีกบางคนนั่งถอนใจทั้งวันเลยเ <c oughs> พราะมันไม่ฉลาดพอแต่ธรรมชาติสอนให้รู้จักหายใจออก เวลาเครียดอ่ะหายใจออกแล้วมันจะคลายงั้นเริ่มต้นหายใจออกซะหน่อยหนึ่งบางคนบอกว่าอ้าวผมยังไม่ได้หายใจเข้าเลยแล้จะให้หายใจออกได้ไงจะเอาลมที่ไหนหายใจนี่อย่างน้อยในปอดก็มีลมอยู่นิดหน่อยนะ่ยในปอดไม่ถึงกับว่างลมหรอกหายใจออกสอักอึดหนึ่งก็อย่างดีพ อ, อง่ายๆนะพอหายใจออกเสร็จแล้วก็เห็นร่างกายหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจออก ไม่ได้บังคับลมหายใจแค่เห็นร่างกายหายใจฝึกไปเรื่อยนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้สมาธิถ้าจะเริ่ปัญญาทำไงก็เห็นว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าง่ายง่ายนั่นเองร่างกายนี้ของถูกดูจิตเป็นคนไปรู้ไปเห็น เห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นร่างกายคนอื่นเหมือนเห็นสัตว์อื่นใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆดูไปดูไปปัญญามันเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกคือหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ตัวเรานะใจมันจะค่อยรู้สึกขึ้นมาเนี่จเจริญปัญญาง่ายๆมาเห็นจะยากเลยนะหายใจเป็นไหม ก็พวกเราหายใจเป็นแต่เกิดแต่หายใจทิ้งหายใจทิ้งเปล่าๆแต่เป็นนี้หายใจเราก็รู้สึกนะเห็นร่างกายหายใจจิตจะสงบหรือจิตไม่สงบก็อย่าไปยุ่งกับมันถ้าหายใจโดยหวังว่าจิตจะสงบมันจะแน่นริธีมร่ะค่ อ, อวันนี้จิตมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะอตอนเช้าที่หลวงพ่อทักว่าเห็นความมืดไหมก็เห็นอะไรมันคลุ้มจิตอยู่ ต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็นั่งดูกายมันไปสักพักมันก็ดูจิตได้อะค่ะถูกล้หนูก็ภาวนาอยู่สมั่งสมั่งไม่ขาดตอนอะนะคะดีนะค่ะก็บางครั้งมันก็เห็นความกระเพื่มของจิตอะคะ่ะไว้นิดนิดและบางทีมันก็เห็นว่ามันเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่ได้เห็นบ่อยนะคะไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อค่ ะ, ะชื่อไม่สําคัญค่ะแล้วก็ เมื่อก่อนหนูจะเป็นคนรู้กายได้ดีกว่านะคะแต่หลังๆนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเห็นอนัตตามันชัดขึ้นนะคะหลวงพ่ออนัตตาอยู่ทั้ทงากายทั้งจิตเห็อนอนัตตาของอะไรของจิตมากกว่าเออคือเราดูกายพอให้มีแรงนะพอมีกําลังแล้วมันก็จะเห็นจิตเราก็ดูจิตไปเลยะะแต่วันไหนไม่มีแรงดูจิตไม่ได้ก็มาดูกาย วนไหนกายก็ดูไม่รู้เรื่องฟุง้งซ่านมากก็พุโทโธพุธโทโธทําความสงบการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับมีกําลังมากจิตใจมีพลังของสติสมาธิมากก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ทําสมถะพุโทโธพุธโทโธไปเรามีแรงมันก็นกลับมาดูจิตได้สิ่งที่หนูสัมผัสได้ก็คือเวลาเรา ทำอยู่สม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีถูกแล้วไม่ได้ภาวนาวดีเลยนะค่ะแล้วก็บางวันมันจะติดนิ่งๆแล้วก็เบื่อเบื่อแต่พอมีผัสสะแรงๆมากระทบเหมือนโกรธแรงๆกลัวแรงๆจิตมันก็ฮึ่มมีกําลังขึ้นมาดูให้ชัดอีกค่ะเอออย่างนั้นแหละเวลาที่อารมณ์แรงมันดูง่ายหลวงตามหาบัวสอนสอนตั้งแต่วันที่เจธันวาสอ2พันหธันวาสอ2พัน สอนบอกว่าเวลาภาวนานนะเรารู้ว่าเผลอไปเราก็รู้เผลอเราก็รู้นะตรงตัวนี้สําคัญนะแล้วเราจะเห็นนะปัญญาเนี่เกิดเห็นนะจิตมันทํางานของมันเองนะงันเผลอเรารู้เผลอเรารู้ที่หลวงพ่อสอนเนะี่ยที่จริงแล้วครูบาอาจารย์สอนมา ก, ก่อนเพียงแต่ว่าคําสอนที่ดีๆพวกนี้มันเลือนลางไปมันเหลือแต่พุโทโธพิจารณากายอะไรงเงี้ยไป คำสอนที่ประณีดอะไรพวกนี้หายหายไปหลวงพ่อแค่เอามาสอนใหม่เท่า น, นั้นเองบางทีถ้อยคําหลอกต่างกันนิดหน่อยนเนื้อก็คือสิ่งที่ท่านสอนไปแล้วเท้า น, นั้นนะท่านบอกเลยว่าเราไม่ได้พาวนาเอาความเจริญนะเจริญและเสื่อมเป็นแค่อาการดวงจิตความเจริญและความเสื่อมเป็นแค่อาการให้เรารู้ทันจิตใจของตัวเองไป แ้วก็จะเห็นเลเจริญเสือเเส่อมเจริญเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอเรารู้จิตอยู่นะจิตเผลอเรารู้จิตเผลอเรารู้จิตจะตั้งมั่นว่าตัวนี้สําคัญไปฝึกต่อไปดีขึ้นทั้งเยอะล้วน้ัสศการค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็เห็นการเกิดดับของจิตมันมีปิติค่ะ แล้วมันก็เห็นมันดับไปเอออย่าให้ปิติครอบจิตเรามันปิติเยอะค่ะแต่ก็มันมาแต่เราก็รู้ทันค่ะค่ะดูไปมันไม่ใช่จิตเราเป็นแค่อาการที่แปลกปลอมเพรานมาเห็นเกิดดับดีแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็เหลืออันเดียวจิตเป็นกลางไหมจิตก็เป็นกลางค่ะค่ะนมาสการครับหลวงพ่อครับ ในส่วนของการปฏิบัติช่วงนี้จะตั้งใจสร้างบารมีทั้งสิบอย่างให้ครบนะครับ mm hmm. ส่วนของการทำรูปแบบทุกวันจะทำมากกว่าปกติ mm hmm. คือจะเข้าไปในองค์ของสมาธิที่ลึกที่สุด mm hmm. พอเราเข้าเข้ารูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งความรู้สึกของกายหมดเข้าไปที่อรูปนะครับพอเข้าไปลึกสุดของอรูปเนี่ยตอนนี้มันจะเด่นสุดเรื่องสัญญาที่มันจะผุดขึ้นมา แล้วก็สังขารจะปรุงเข้าแต่ไม่มีเรื่องของรูปเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงขององค์สมาธิทุก <ๆ S 2> องค์ใช่ได้อยู่นะเราจะเรียนไปเป็นครูเขาก็ต้องเรียนหนักหน่อยครับบารมีสิบก็ต้องสร้างสร้างไปเรื่อยๆครับผมนะต่อไปมันก็เต็มผมมันจนได้แล้วค่อยๆเตียบไปนะครับผมก็สังเกตเห็นความเป็นกลางขึ้นตลอดเพราะหลังจากออกจากสมาธิที่ลึกที่สุดแล้วความเป็นรูปลุก จิตกระนามหรือขันทั้งหมดมันแยกกันหมดมันจะแยกเองครับผมมันแยกกันได้เห็นเออถ้าเราเข้าถึงอรูปนะพอถอยออกมาแล้วรูปกระนามนี่แยกตลอดชาติเลยครับผมมันไม่มีมันไม่มีความเป็นก้อนให้เราเหลือแล้วเขาแล้วเขาเห็นความเป็นกลางของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วขณะที่เราบางครั้งคุยธรรมะหรือสอนธรรมะสมัยก่อนเราจะมีความตั้งใจเพื่อจะให้เขาดีตอนหลังนี่มันจะวิ่งกลับมาที่กายและใจของเราตลอดเวลาเออนั่นแหะสอนเป็น ในมาตรการหลวงพ่อคะ่ะจากที่หลวงพ่อแนะนำโยมครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องจิตตั้งมั่นแล้วก็คือถ้าอยู่บ้านกวาดบ้านทําอะไรไปก็รู้สึกตัวพอฝึกไปเรื่อย ๆ, ๆพอจิตเคลื่อนเราก็รู้ค่ะเราไม่ห้ามนะค่ะ <c oughs> เราไม่ดึงคืนด้วย <c oughs> แค่เคลื่อนเรารู้ค่ะพอเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้เราฝึกมาเรื่อย ๆ, ๆมันรู้สึกว่ามันเห็นชัด สังขารขันนี้เห็นชัดเห็นความเกิดดับสังขารขันแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่เผลอเราไปยึดกับสังขารขันแล้วก็ทุกข์เลยจะเป็นอย่างนั้นไปทำต่ออ่ะถัดไปนรสรกาแถวหลวงพ่ อ, อคือติดเพ่งเยอะค่ะ เป็นมาสองสามปีจนมันมาอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยะจะรู้สึกหนักๆทั้งทั้งหัวเลยทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเย็ยยนๆมาถึงตอนนี้เนี่ยเบาขึ้นแต่ว่าก็เห็นนะคะว่ามันไม่ยอมเท่าไหร่คือมันก็ยังพยายามจะไปดูลมแล้วก็ไปดูทั่วๆค่ ะ, อะตอนนี้ก็รู้สึกะคะ่ะว่ามันรวบๆเป็นระยะแต่ว่าพอรู้ตัวมันก็จะคลายนิดนึงแต่มันก็ยังกลับมาอยู่อะคะ่ะ แต่ดีขึ้นพอประมาณหนึ่งค่ะแล้วดูนะดูเขาทำงานไปดูด้วยใจที่สบายดูห่างๆาง<ฮ>จิตมันเคยชินจะไปรวบมันก็จะรวบห้ามไม่ได้หรอกแต่เราไม่สนใจอยากรวบเรื่องของเธอเราดูความสะเทือนขึ้นกลางอกเนี่ยการทำงานขึ้นมาดูเล่นๆนรมาจารค่ะหลวงพ่อ หนูอาศัยความสม่ําเสมอทําในรูปแบบอะคะอ่ะแล้วก็บริกรรมไปในชีวิตประจําวันแต่ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งมันก็เหมือนเห็นแบบเวลามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วเหมือนเราดูอยู่ห่างๆอะคะอ่ะดูไปตามธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหนูมีอะไรต้องต้องไี้นี่หรือเปล่าอย่าใจร้อนน ะ, ะดูไปสบายสบาย แล้วที่บางครั้งแบบว่าพอหนูบริกรรมใช่ไหมคะเวลาหนูทำในรูปแบบค่ะแล้วมันอยู่ดีๆมันไปจับที่ลมหายใจอะค่ะหนูต้องไม่ว่าอะไรก็รู้ว่ามันไปจับลมหายใจนะแล้วอยากจะหลุดออกมารู้ว่าอยากรู้ว่าทันจิตไปเรื่อยๆค่ะหน้าตาคนนะมันมาจากจิตด้วยนะหน้าตาบางคนเกิดมานะพ่อแม่ผลิตมาไม่ดีน่าเกลียดแต่พอภาวนานดีขึ้นดีขึ้นนะ ม, มันดูสวยนะ ดูดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่หมายถึงหนูนะเดี๋ยหนูจะไปโกรธพ่อแม่ไม่ใช่หมายถทั่วไปอ่ะคือรูปเนี่ยมันเกิดได้หลายปัจจัยอย่างกรรมมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมทำให้เรามาเป็นลูกของพ่อแม่ทางนี้นะได้ยีนของพ่อแม่มารูปร่างอย่างนี้แหละมันมีจิตตาฉรูปด้วยรูปที่เกิดจากจิต อย่างพอจิตเราโกรธนะหน้าตาเราก็ดูไม่ได้ห้จิตเราร่มเย็นเป็นสุขหน้าตาเราก็สว่างผปงใสอะไรเงี้ยรูปอันนี้เกิดจากจิตให้จิตต์ชรูปรูปบางอย่างเกิดจากอาหารเรียกอาหารละรูปอย่างเรารับประทานเพราะไปมากในชะรูปเราก็เปลี่ยนให้สมกับที่รับประทาน <laughs> มีการเรื่องอุตุชรูปรูปขึ้นกับสิ่งแวดล้อม อย่างบางคนบางหมู่บ้านมีสารพิษเยอะเด็กออกมาก็พิคลพิการสิ่งแวดล้อมไม่ดีงั้นตัวอื่นนี่เราคุมยากแต่จิตนี่เราพัฒนาได้ง้นพวกเราคนไหนรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อยอย่าเสียใจนะไม่ต้องไปเชิดค อ, อไปเกิดใหม่ถ้เชิดค อ, อตายไปเกิดใหม่ชาน่าน่ากลีย ก, กว่านี้อีกเนะพราะตายด้วยโทสะภาวนาไปเรื่อยนะดีนะจะดูดีไ จะค่อยๆดูดีขึ้นดูดีขึ้นไปฝึกเอาหนูดีขึ้นเยอะล้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อนมำสศ ก, การกับหลวงพ่อมาจากไหนล่ะเนี่ยมาจากฝรั่งเศสครับฮะฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับได้ข่าวว่าผู้ลายเยอะเลยหลังๆครับ<笑><笑>เป็นครั้งแรกครับที่มานมำส ก, การหลวงพ่อครับ เ, เคยฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็เข้าไปดู y o ยูทูบบ้างแล้วก็ปฏิบัติไปด้วย ดูกายดูใจก็ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับบางครั<ม>้งบางตอนปฏิบัติมันก็รู้ว่าบางทีมันก็หายไม่บางทีมันก็รู้จิตมันไหลไปไหลามามมครับ ด, ดูกายดูหลงก็รู้อะไรก<ม>็รูครับก็อยากถือโอกาสมาขอการบ้านหลวงพ่อครับตัวตัวจิตนะตัวใหญ่นะ ให้เราคอยรู้ทันจิตไปถ้าจิตอยู่นอกไม่เข้าบ้านถ้ารูนะ้รู้บันเรีย ม, มหายใจเข้ามามันก็กลับเข้ามาเ้วเข้ามาแล้วก็อย่ารักษานะถ้าจิตใจเข้ามาในบ้านแล้วเราก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยๆนะอะไรเด่นก็ดวัวนั้นะเพราะร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกก็เห็นจิตใจก็ไม่ใช่เราทำงานได้เอง ดูเขาทำงานได้เองไปเรื่อยๆดูสบายๆนะกำลังพอมันก็ผ่านของมันไปเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะมันเป็นเองถึงเวลาแล้วมันเป็นเองครับน้มัสการนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อกรนบนมันสการค่ะหลวงพ่อก็ตอนนี้พยายามทำในรูปแบบให้สมา่าเสมอะคะ่ะแต่ว่าแรกๆตอนที่เดินจงกรมรู้สึกเหมือนกับว่า ทัดคือเหมือนกับว่าขันมันแยกเห็นได้แบบคือค่อนข้างเห็นได้ดีะคะ่ะแต่ว่าเหมือนช่วงสักอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเวลาเดินเนี่ยหนูรู้สึกเหมือนน่าจะไม่ถึงฐานนะคะเพราะว่าจิตมันลอยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันฟุ้งตลอดอย่างนี้หนูต้องทํำยังไงอะคะเพราะว่ามันแก้ไม่ได้เลยอะคะ่ะทําไมต้องแก้นะคืออยากให้มันดีเห <laughs> นะ็นหอยากนะันแะอยากเป็นตัวสมุทัย ผลของอยากคือทุกข์เพราะนสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วแค่รู้ <Okay. S 1> รู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าสภาวะนั้นนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสภาวะนั้นมันเป็นไปเองบังคับมันไม่ไดนะ้เราเรียนเพื่อให้ใจยอมรับว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ต้องเรียนเพื่อให้ใจยอมรับตรงนี้ไม่ได้เรียนเอาดีหรอกนะ งั้นหนูยังเรียนเอาดีอยู่ยังกลุ้มอยู่น ะ, ะเพราะดีมันไม่เที่ยงวันนี้ดีอีกวันไม่ดีอีกละก็กลุ้มใจงั้นเรียนเอาให้เห็นความจริงทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้เป็นปเพลงใจยอมรับความจริงตรงนี้นะนั่นใจมีปัญญาไปฝึกไปขอบคุณค่ะฟงซ่านเก่งไหมมากค่ะนะระวังตรงนั้นก็ เหมือนตอนแรกๆหนูจะดูกายเป็นหลักที่หลวงพ่อบอกแต่เสร็จแล้วทีนี้คิดว่าน่าจะเป็นคนฟุ้งซ่านเยอะเพราะว่าเหมือนตอนหลังๆเวลาเหมือนใจมันคิดมันก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกันนะคะว่าเหมือนมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะค่ะแต่ว่าพอเห็นแล้วกําลังสมาธิเราไม่พอนะบางทีมันจะฟุงฟ้งไปเลยเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อให้มาดูกายไว้เนี่ยเพราะว่าการที่เราคอยรู้สึกในร่างกายนะมันทําให้เราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนานจะได้ไม่ฟุ้งยาว นี่พอเรามารู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆใจมันมีแรงขึ้นมานะมันจะเห็นจิตได้ค่ะนะงั้นเราอย่าทิ้งกายนะค่ะไม่งั้นคล้ายๆก้าวข้ามบันไดเร็วไปเพราะเหมือนจะตกบันไดค่ะเพราะว่าจิตมันหมุนแบบเวลามันฟุ้งแล้วมันหมุนวนอยู่ข้างในแล้วแบบหลุ่มแจ้งเลยใช่ค่ะเเดี๋ยนะกลับมาดูกายค่ะนะกลาบนมัสกาลหลวงพ่อค่ะ เวลาแบบที่หนูมีความทุกข์ก็ข้างในก็จะทุกข์ใช่ไหมคะมทีนี้ว่าพอพอทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยมันมันเกิดแบบปีติมีความสุขขึ้นมาก็รู้สึกว่าไอ้ไอ้ความทุกข์นั้นน่ะมันมันเปลี่ยนเป็นความสุขครึ่งหนึ่งทุกครึ่งสุขครึ่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็สุขหมดเลยอืก็เลยไม่เข้าใจอะ่ะไม่เห็นจะต้องเมื่อเห็นจะต้องเข้าใจเลยเห็นไหมว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยง เห็นไหมปีติก็ไม่เที่ยงค่ะหนูต้องรู้สึกที่ใจไว้นะค่ะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้ค่ะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้รู้ทันใจไปเรื่อยๆสบายๆค่ะนวมศการค่ะหลวงพยอมก็มาจากฝรั่งเศสได้โอกาสไปปฏิบัติอยู่ฟลอริดาค่ะก็เพิ่งมาก็ ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าภาษาภาษาไทยไม่เก่งคะ่ะอเป็นคนลาวปนยวนคะ่ะอเก่งนะเป็นลาวปนยวนอยู่ฝรั่งเศสพูดภาษาไทยได้เพร่อพราะเรียนเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแหละฟังซีดีมากเกินไปก็ก็รู้แบบมีนะมีคนฟังซีดีหลวงพ่อแล้วพูดภาษาไทยได้นะก็ <c oughs> นนแปลกมากเลยฟังไปเรื่อยๆพูดไทยปลอเลยก็เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแหละค่ะอ ก็ไม่รู้จะแปลความรู้สึกยังไงก็ขอเนีโมหลวงพ่อรู้สึกไ้มว่าร่างกายกับจิตใจมันขรุนรู้ค่ะรู้สึกไหมว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกโกลภโกรดหลงอะไรเนี่ยกระใจก็ขรุนค่ะแนะต่ไปนี้เราแยกขันได้แล้วนะมันก็แยกเป็นส่วนๆเราก็เห็นร่างกายมันทํางานอย่างเช่นเราทํางานบ้านเงี้ยเราดูดฝุ่นเราปัดบ้านอะไรน ะ, ะเราเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดู จริงค่ะฝึกอย่างนี้ได้่อยๆถ้ามีความรู้สึกนะก็เห็นอีกความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาใจเป็นคนดูอย่างนั้นค่ะก็บางก็ปฏิบัติก็บางครั้งก็ไม่เห็นร่างกายเลยค่ะนะไม่ไม่เห็นร่างกายไม่ค่ะไม่เข้ารูปเนาะเดินจงกรมก็เห็นเป็นกลูกบางครั้งก็แบบหายเลยค่ะเอันนั้นเป็นสมาธิทั้งหมดเลยนะ ตอนที่เราอยู่ธรรมดานี้แหละไม่ได้ตั้งใจปฏิบัตินี้แหละ่ตอนนี้ถือใหม่อยู่อย่างเงี้ยพยักหน้าเนี่ยรู้รู้สึกรู้สึกค่ะเรรู้สึกไปเรื่อยๆส่วนที่เดินจงกลมแล้วกายเป็นกระดูกหรือว่าร่างกายหายไปหมดมันเป็นสมาธิจิตมันเข้าสมาธิตัวสำคัญก็คือหัดเจริญปัญญานะดูกายทำงานดูใจทำงานจะให้หายไปหมด ก ย, า ย, ายกเว้นเวลาจะพักผ่อนเราหายไปหมดเลยเขาไม่เป็นไรแต่เวลาหายไปหมดแล้วยังเหลือความรู้สึกตัวไหมรู้สึก <โอ S 1> ค่ะใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ก็ขอการบ้างของหลวงพ่อเมื่อกลับไปได้ปฏิบัติต่อค่ะ<บ>ให้เดินปัญญาด้วยนะเข้าฌานได้ดีอยู่เม่งนใจมัน จ, จะนิ่งนิ่งว่างๆไปพยายามดูในร่างกายนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี้ย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนะี่ยค่อยไล่ขึ้นไล่ลงนะั้นดูมันไปมีแต่ของที่ไม่อยู่กับที่ไม่คงที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนะผมก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนะเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันถึงยะยอมเดินปัญญาไม่งั้นใจว่างๆนิ่งๆไปพราสมาธิมันเยอะโอเคเพาสมัยก่อนก็ทําแบบเหมือลวงพ่อชี้แต่ว่าไม่เข้าใจคะ่ะก็เลยปล่อยอลองไปทําดูนะใจจะได้ไม่ติดนิ่ง ถ้าใจติดนิ่งติดเฉยไม่ดีคุณมากค่ะหลวงพ่อบทล้อ้อคนสุดท้ายรอนานมาจากไหนล่ะจากอุตรดิตฐ์ค่ะเออมาไกลกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาคือจริงๆเว้นว่างการฟังซีดีหลวงพ่อไปนานพอสมควรแล้วเหมือนเพื่อนไม่พอสมควรเลยแล้ว เพื่อนๆมีทุกข์ะค่ะแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเราก็แนะนำว่าลองฟังซีดีของพ่อแต่มามคิดดูที่แล้วทำไมเราไม่ฟังบ้างก็เลยกลับมาฟังหลวงพ่ออีกอแต่มันก็ยังฟุ้งไปเรื่อยๆดูสิเวลา ม, มันฟุ้งนะใจเรามีโทสะแท่กมันไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่สำคัญม่มีหลายตัวนะอันแรกเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ไปรู้เขา้า พอมีอารมณ์แล้วมันก็เกิดความรู้สึกเกิดอาการทางใจขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายขึ้นมาต่อสุขทุกข์ดีชั่วเนีให้เรารู้ทันลงไปอย่างขณะเ น, นี้ใจมันฟุ้งซ่านเราเกิดความไม่พอใจเวลาฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจให้รู้อะไรรู้ว่าไม่พอใจความฟุ้งซ่านมันมีความหมายละเป็นอดีตไปหมดแล้ปัจจุบันคือไม่พอใจ เนื้อรู้ลองปัจจุบันอย่างนี้รู้ทันนี่เข้ามาให้ถึงใจการภาวนาก็จะง่ายไม่มีอะไรมากแล้วคือนะตอนนี้มันมันตามไม่ทันนะคะมันเผลอเป็นเผลอบ่อยแล้วก็เป็นกรรมออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะกรรมทางวาจาละมั้งย่งเงใช่ค่ะหนูก็ต้องให้จิตมันมีเครื่องอยู่นะเราโทสะเยอะเราจะเล่นเมตตาเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ เมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปแต่ไม่ทาใจให้น้อมซึมๆนะบริกรรมได้ใจธรรมดาเนี่ยเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยบริกรม ร, กรมไปเราใจมันเผลอไปที่อื่นเราก็ได้ไม่เผลอยาวอ้างกลับบ้านได้